คือตั้งแต่9ก้านาฬิกาถึงสิบสอนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสิบสองนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพอันดับสองสิบหนาฬิกาถึงสิบแดนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพต่ําสุดสิบแปดนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพอันดับสองหลังเวลา22่สนาฬิกาจะเป็นช่วงพักผ่อนคิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก่อนลงมือทํา